มารดาก็ทำให้ไม่ได้บิดาก็ทำให้ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้และทำให้ได้อย่างประเสริฐ ด, ด้วยกุฏะวัจนะ การปฏิบัติธรรมเราต้องทำเอาเองใครก็ทำให้เราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้ อ, ง ก, กอ ง, งก็ทำให้กับเราไม่ได้แล้วแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำให้กับเราไม่ได้ท่านเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางบอกคนทางให้เราเองจะต้องเป็นผู้เดินทางบุคคลอื่นเนี่ย เป็นเพียงการยานมิตรให้คําแนะนำให้กำลังใจให้แง่คิดส่วนการปฏิบัตินั้นเราต้องทาเอาเองใครทําใครได้ใครดูใครเห็นใครปฏิบัติใครเป็นต่อไปแล้วนี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าอันนี้เป็นการทิ้งในตัวหรือเปล่าการปฏิบัติธรรมอะไรมีข้อพิสูจน์ต้องทาตัวเราก่อน แต่ จ, จึงจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ถ้าเราทําไม่เป็นแล้วเนี่ยจะบอกให้ผู้อื่นเขาทําเป็นเนี่ยมันก็ยากถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นจะไปช่วยคนตกน้ําได้อย่างไรเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งภายนอกนอยู่ภายในจิตใจเราอยู่ที่กายทิตใจเราเนี่เองถ้าเราเข้าใจรู้จักวิธีการปฏิบัติรู้จักช่วยตัวเราให้รอดแล้วแล้วก็วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นน่ยไม่ยากละ เพราะว่าเราเรียนรู้จากตัวของเราเราก็จะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็แนะนำได้เช่นการปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มต้นที่ตัวเรานี่แลหละ ท, ที่กายที่ใจของเราไม่ต้องไปที่ไหนสนามรบสนามการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายที่ใจของเราที่รูปนามขันห้านี่แหละที่เราสมมุติว่าเป็นตัวเราอะไอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย ทุกค น, นย่อมหลีกหนีไม่พ้นเรื่องความป่วยไขย้ที่ร่างกายเป็นโรคอะไรก็ตามจะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนก็ตามเราอย่าพึ่งปฏิเสธในสิ่งที่กําลังมีขึ้นกับตัวเราเราฟังเรื่องการจริสติมามากแล้ววันนี้เราลองมาใช้สติแก้ปัญหาชีวิตเราดูบ้างสิมีอาวุธแล้วใช้ไม่เป็น เ, นเกะกะ เรามีอาวุธคือสติคือความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราลองมาใช้กับชีวิตของเราดูสิเช่นเวลาเรามีทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าสติให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันมีขึ้นจริงไหมไอคอนเจ็บไข้ได้ป่วยมันป่วยกายหรือป่วยใจเราลองมีสติแยกแยะดูสิถ้าป่วยกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนมากปวดศีรษะปวดท้องปวดหลังปวดเขา่า เป็นโรคร้ายแรงที่หมอรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ตามลองรู้ลงไปที่ตัวเราสิแค่เรามีสติเราลึกรู้เนี่ยจิตมันก็ได้พลังแล้วนะไอที่ป่วยทั้งกายทั้งใจเนี่ยจิตมันก็จะหายป่วยได้เหมือนกันนะการมีสติอย่างน้อยก็หานความเจ็บทุกเวทนาร่างกายไปที่ครึ่งหนึ่งรู้ครึ่งหนึ่งเจ็บครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าเจ็บทั้งร้อยลอง จะรณาดูซิว่ากายเราเนี่มันเจ็บป่วยจริงหรือเปล่าโดยสายสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่เรามีอยู่นี่ก็ต้องขอบคุณกันนะความเจ็บไข้เด้ป่วยอย่างน้อยเราจะได้มีสติรู้ว่าอ๋อนี่เพราะว่าเราใช้ร่างกายไม่ถูกต้องมันจึงมีอาการเจ็บไข้เด้ป่วยขึ้นมาอาจจะทานอาหารไม่ถูกต้องทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพโรคร้ายจงเกิดขึ้นในกายเรา หรือเราอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานมากจนเกินไปใช้ร่างกายมากจนเกินไปโดยที่ไม่ให้พักผ่อนร่างกายก็ไปทุกข์ได้เหมือนกันนะหรืางทีเราทานอาหารดีแล้วพักผ่อนก็เพียงพอบางทีอาจจะเกินประมาณก็ได้ซ้ำไปแต่ทำไมจะงมีโรคไฟเครืเจ็บมาลุมเ้าอยู่ที่กายเราบางทีมันอาจจะเกิดจากว่าเราไม่ได้ออกกําลังก า, กายก็ได้ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไปมา สู่าพร่างกายจริงไม่ค่อยดีอ้วนไปบ้างอ่อนแรงไปบ้างอันนี้เราอาศัยสติพิจารณาสักหน่อยวนะ่าสาเหตุเปนมาอย่างไรเราจึงเป็นอย่างนี้เราจะเรู้จักตัวเรารู้จักแก้ไขที่ตัวเราอันนี้มันได้ปัญญาแล้วนะบางทีมันต้องใช้ความคิดช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยมันไม่ใช่ปล่อยวางมาปล่อยทิ้ง ถ้าไ่เดี๋ยวิสัยที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาก่อนรู้แล้วก็แก้ปัญหาถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เป็นปัญญานหนึ่งก็รู้จักปล่อยวางถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามหน้าที่ตามกําลังเที่ยวจะแก้ไขได้เราจะเริ่มเข้าใจเรื่องของกายดีแล้วที่เขาให้เราเห็นอาการเขาเราจะได้แก้ไขทุกครั้งที่เราแก้ไขากายได้เลยเราจะสบายใจเราจะไม่เป็นทุกข์แต่จะมีความสุขด้วย ส่วนเรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจนี่ก็สําคัญความเจ็บไข้รด้ป่วยทางใจนี่มันร้ายแรงกว่าเรื่องของร่างกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทางจิตรุนแรงกว่าทุกข์ที่เกิดจากทางด้านร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราทําใจได้เนี่ยโอ้ทุกข์นี่แทบจะหมดไปเลยนเพราะฉะนั้นจิตจึงสําคัญกว่าถ้าจิตดีแล้วเนี่ยมันก็จะดูแลกายได้ทีนี้ถ้ า, า, ถาว่าเราเจ็บไข้ทางด้านจิตใจ เ, เรียกป่วยใจอะ่ะบาที่ร่างกายไม่ป่วยวร่างกายสบายดีแข็งแรงแต่ป่วยใจเนี่ยโหรุนแรงมากทุกไม่เลิกอย่าปล่อยให้จิตใจเราต้องเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่มันทําแล้วต้องเป็นทุกข์นะอย่าลืมเรียกสติผมมักจะเรียกว่าพระสติเรียกสติกลับคืนมาให้รู้สึกตัวซะก่อนอย่าพึ่งมัวแต่กลนทุกข์กลนเศร้า จิตใจร่นลอยไปมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกอาการที่ทุกข์ที่ทราบแบบนั้นมีแต่ซ้ําเติมให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์มากขึ้นอีกตั้งสติให้ได้เราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้เนาะมันเริ่มมีสติเราเนี่ยมันจะเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะสติเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยอย่างเดียวนะถ้าเป็นสติปัญญาสามัญญันะแล้วก็มันจะมีวิธีการแก้ไขยอยู่ในตัวเห็นทุกข์แล้วก็เห็นทางดับทุกข์ในตัวดนะ้วย เราจะเริ่มเข้าใจออนี่ที่เรามีความทุกข์ใจอย่างนี้นะเป็นเพราะว่าเรามีตันหามากนะมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างหนึง่งลองสังเกตดูทุกข์ใจนี่ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยก็อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เม่อใดอย่างใจแล้วก็เป็นทุกข์อยากเป็นอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นเหมือนคนโน้นคนนี้นีน่น ทำไม่ได้ใจอยาแล้วก็ใจก็เป็นทุกข์แล้วจิตก็คิดฟุ้งซ่าน<ม>เพราะความอยากของเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นในความอยากด้วยเรียกว่าใช้สมองเปลืองใช้ความคิดเปลืองจิตจริงต้องเป็นทุกข์คนเราเป็นทุกข์เนี่ยนอกจากจะยึดมั่นถือมั่นแล้วยังใช้สมองเปลืองคือคิดเยอะคิดข้ามวันข้ามคืนทุกข์ใจมาลุ่มเราเหมันน้ำที่มันกำลังค่อยๆไหลท่วมมาเตือน้อยเตือนน้อย มาจากอุตรดิตต์ามาท่วมสุขโขทยัยต่อไปจะาไหลลงมาที่พิจิตรเดี๋ยวก็ถึงนครสวรรค์ถึงกรุงเทพออกปากอ่าวทะเลเลยค่อยๆซึมมาเรื่อยๆพราน้ำเนี่มันไหลไม่หยุดความคิดแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าคิดไม่หยุดคิดไม่เลิกแล้วก็มีโอกาสพ่วมทับจิตใจได้นะไม่เป็นไรเรามีสติเป็นเครื่องป้องกันน้ําไม่ไหลบ่าท่วมทับจิตใจได้สตินี่แหละกั้นกระแสอารมณ์ที่จะกระทบใจได้ เรามีสติซะหน่อยอ๋อนี่เราเป็นทุกข์เพยึดมันถือมั่นนะเราต้องรู้จักปล่อยวางอย่าใช้สมองเปลืองใช้ความคิดเปลืองให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียบ้างทุกทางใจเนี่ยแก้ไขด้วยการเจริญสติด้วยการปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบันก็ไว้ถ้าสติไม่มากับตบมือเรียกสติกับขึ้นมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวดูลมหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออก เจตนาลุกกไปที่ลมหายใจสัก 2-3 ส, สามครั้งเนี่ยพระสติก็ามาช่วยเราแล้วเพราะนั้นถ้าทุกกายเราก็แก้ปัญหาไปตามหน้าที่ด้วยสติทุกใ จ, ท, กใ จ, ท, กใจทุกในทางจิตใจเราก็แก้ปัญหาด้วยสติเราต้องทำตัวของเราเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทําได้แล้วเนี่ยแก้ปัญหาตัวเราได้แล้วเนี่ยเลยไปบอกใครก็ได้ บอกคนใกล้ตัวก็ได้บอกสามีเราภรรยาเราลูกเราหรือคนที่เรารักเราสามารถแนะนำแล้วก็สอนเขาได้เป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจว่าเราเนี่ยแก้ไขตัวเองไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขอื่นได้อย่างไรอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราฝึกตัวเองมากๆฝึกจิตวสติในปัจจุบันนี่แหละอย่างน้อยเราก็ต้องมีความอดทนกับอารมณ์ ความขยันยังไม่เพียงพอนะต้องอดทนด้วยขยันแล้วก็อดทนมีศรัทธาการปฏิบัติตัวเราก็จะดีขึ้นทำตัวยานเขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสปางทีอาศัายความอดทนนี่ช่วยได้นะอย่างสมมุติว่าเวลาที่เราถูกติดชิ้นนินทาหรือถูกใส่ร้ายการนินทาว่าร้ายเราจะเป็นทุกข์มากแล้วเขาว่านตรงที่เราเป็นซะด้วย เขาดูเราผิดนินทาเราใส่ร้ายเราอันนี้ไม่เป็นไรเราพิสูจน์เลยเราใช้สติอยู่กับปัจจุบั น, นดูซิว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงไหมถ้าเขานินทาว่ากล่าวเราหรือใส่ร้ายเราถ้าไม่จริงเนี่ยเราก็เฉยได้เป็นปกติได้ถ้าเรื่องที่เขาพูดเขานินทาเนี่ยมันเป็นจริงแล้วก็มีสติอ๋อเนี่เราเป็นอย่างเขาจริงๆนะเป็นดันที่เขาว่าจริงๆไม่ต้องเป็นทุกข์ เขาพูดจริงแล้วไม่เป็นไรแล้วดีแล้วขอบคุณเขาเราจะได้ระวังตัวเราการที่เข้ามานินทาว่าร้ายเราหรือใส่ร้ายเราเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีสตินะสังเกตดูตัวเราเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นจริงที่เขาว่าเราก็เฉยได้ถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่าก็ขอบคุณเขาเขาพูดถูกต้องแล้วนะเราจะเริ่มมารู้จักดูตัวเราแล้วจะได้แก้ไขตัวเราหรือถ้าหากว่าการที่เขานินทาเรา ว่าร้ายเราใส่ร้ายเราเนี่ยถ้าทําให้เขามีความสุขแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าทําบุญในส่วนนั้นไปเลยทาให้เขามีความสุขช่วยเขาในทางอ้อมเลยถ้าเขาตมิตติดเตียนเราถ้าเขามีความสุขแล้วก็ปล่อยคนระับเนี่ยเราได้ทําบุญเลยนะทํามีโอกาสชี้แจงก็ชี้แจงไปถ้าไม่มีโอกาสก็อ๋อดีแล้วล่ะเขาจะได้คลายเครียดเขาสับ้างช่วยใจเราให้มีความสุขได้เหมือนกันนะและสี่งสำคัญ ก, ก็คือ สิ่งที่เขาตําหนิติดเตียนเราหรือดินทาเราเนี่ยเขามาสอบอารมณ์เรานะว่าจิตใจเราเนี่จะมั่นคงแค่ไหนวันไหวหรือไม่กับเสียงดินทาที่เป็นเสียงเหมือนลมผ่านหยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะหวันไหวกับสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่วันไหวแล้วก็สติเราก็ผ่านถ้าหวันไหวล้วก็รู้อ๋อนี่เราวันไหวนะแล้วก็ผ่านนี่ผ่านด้วยสติเป็นทางผ่านนี่เราเป็นการวัด จิตใจของเราเลยว่าเรามีสติมากน้อยแค่ไหนถ้ามีสติน้อยก็หวั่นไหวบ้างถ้าขาดสติในหวั่นไหวเต็มร้อยเลยถ้ามีสติทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของเกิดเกิดดับๆเรามีแต่ประโยชน์ส่วนเดียว เ, ยเราทําเพียงแค่เนี้ทําตัวให้เป็นปกติแล้วคนรอบข้างเห็นเราเป็นปกติในโอ้โหเขาจะทึ่งในตัวเรานะ จะเห็นความสมานของตัวเรามากขึ้นบางทีเราไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเรามีความเป็นปกติเขาเห็นปกติกายคือไม่เบียดเบียนใครไม่ข่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ดื่มสุรานี่ปกติของกายปกติของจิตคือไม่หวัน่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะรู้เท่าทันมีสติมีสมาธิรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิต แล้วก็รู้จักปล่อยวางอันนี้คือเป็นปัญญาเราทําเพียงแค่เนี้ยไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนมาแล้วคนรอบข้างก็จะเริ่มศรัทธาการปฏิบัติธรรมสาคัญที่ตัวปฏิบัติไม่สําคัญที่ความรู้ร้อยรู้หมื่นรู้ก็ไม่สู้หนึ่งทำนะหนึ่งทอสลตย์อธรรมรู้มากขนาดไหนก็ตามถ้ายังทําไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องทําตัวของเรา ทำให้เป็นทำให้ชํานาญและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องประกาศตัวเราว่าอ้อนี่คนทําได้มันก็มีแล้วเราเองก็ทําได้ด้วย